เรื่องงดโอวาดสมัยนั้นท่านพระอุทายีงดโอวาดแล้วหลีกจาริกไป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 ภิกษุทั้งหลายไม่พึงงดโอวาดแล้วจาริกไปรูปใดเที่ยวจาริกไปต้องอาบัตทุกกฎสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้โง่เขลาไม่ฉลาดงดโอวาดภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไม่พึงงดโอวาทรูปใดงดต้องอาบัตทุกกฎสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายงดโอวาทเพราะเรื่องไม่สมควรเพราะเหตุไม่สมควรภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงงดโอวาดเพราะเรื่องไม่สมควรเพราะเหตุไม่สมควรรูปใดงดต้องอาบัตทุกกฎสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายงดโอวาดแล้วไม่ให้คำวินิจฉัย ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งวา่าภิกษุทั้งหลายภิกษุงดโอวาทแล้วจะไม่ให้คำวินิจฉัยไม่ได้รูปใดไม่ให้ต้องอาบัตทุกกฎสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายไม่ยอมรับโอวาท ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่ไปรับโอวาทไม่ได้รูปใดไม่ไปพึงปรับอาบัติตามธรรมสมัยนั้นภิกษุณีสงพากันไปรับโอวาทพร้อมกันทั้งหมด คนทั้งหลายจึงตําหนิประนามโพนธนาว่าภิกษุณีเหล่านี้เป็นพันยาของภิกษุเหล่านี้ภิกษุณีเหล่านี้เป็นชู้ของภิกษุเหล่านี้บัดนี้ภิกษุและภิกษุณีเหล่านี้จะอภิรมกันภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีสง์ไม่พึงไปรับโอวาทพร้อมกันทั้งหมดถ้าไปพร้อมกันทั้งหมดต้องอาบัตทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีสี่ถึงห้ารูปไปรับโอวาทสมัยนั้น ภิกษุณีสี่ห้ารูปไปรับโอวาทคนทั้งหลายจึงตาหนิประนามพนทนาว่าภิกษุณีเหล่านี้เป็นพัญยาของภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ภิกษุณีเหล่านี้เป็นชู้ของภิกษุเหล่านี้บัดนี้ภิกษุและภิกษุณีเหล่านี้จะอภิรมกันภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้